ขตาสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติ153ย้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉัน เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรักายขาตาสติที่ภิกษุเจิเรนทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอนิสงมากเรื่องนี้เพียงเท่านี้ที่ภิษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว ครันเวลาเย็ยนพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่ทรงหลีกเกรนเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาธิปูร่าดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันได้เรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ขอประธานว่าโรกาดข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหาเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนาขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสกายคตาสติที่ภิกษุจเจริญทําให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอนิสง์มากข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่า154พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติที่ภิกษุจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมีอนิสงฆ์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราร ง, งับกายสังขารหายใจเข้า สำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิตกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดํมริอันสับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละดํมริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นย่อมดำรงคงที่ เป็นธรรมเอกพุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุจึงชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเธอดำรงกายอยู่โดยอยิริยาบถใดๆก็รู้ชัดกายดารงอยู่ในอิริยาบถนั้น ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นปายภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าจเจริญกายขตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ อีกประการหนึ่งพิษุททำความรู้ตัวในการก้าวไปการถอยกรับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังคติบาทและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยว ทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอาศัยเรือนได้เพราะละดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้น ย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้ มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลตน้องเลือดเงือมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดพิกษุูทั้งหลายถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยทั ญ, ญพืชชนิดต่างๆ คือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองมเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงนั่นออกพิจารณาเห็นว่านี้เป็นข้าวสาลีนี้เป็นข้าวเปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้เป็นงานี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบน ตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดใส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลด์หนองเลือดมันค้นน้ำตาเปเรียวมันน้ำลาย นโมไขข้อมูดภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกพุทธขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายขตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่คนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชนานาญฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้ ละละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดํารงคงที่เป็นธรรมเอกพุทธขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้วหนึ่งวันตายแล้วสองวันหรือตายแล้วสมวันเป็นศพขึ้นเอิด ศพเขียวคร้ำศพมีน้ำเหลืองเยิ้มแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ยอมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้ เลาะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิต ท, ที่เป็นปลายภายในกายเน่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิษุชื่อว่าเจริญกายขตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแร้งทึงกินนกตรกุมจิกกิน สุนักกัดกินสุนักจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์ตัวเล็กๆหลายชนิดกัดกินแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ก็ไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็สามารถมีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทภิษุชื่อว่าจเจริญกายคตาสติไม่ด้วยอาการอย่างนี้ อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้ อ, แ ล, ลอและยังมีเลือดเปื้อนเปลิอกมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแม้ฉันใดเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกก้านคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกะโหลกศรีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้ก็ไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังเป็นกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีเป็นกระดูกผุปนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม่ฉันใดภิกษุก็ฉั น, นั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่ากายนี้มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ ภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายขาตาสติไม่ด้วยอาการอย่างนี้155อีกประการหนึ่งภิกษุสงัดจา ก, กรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิโตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่ม ด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสาริดแล้วเอาน้ำประพรมติดเป็นก้อนก้อนถูตัวนั้นมียางซึมไปจับ ก็ติดกันหมดไม่กระจายออกแม่ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่รู้สึกราบร่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายขตาสติมีอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่ง เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุตติยฌานอยู่เธอทํากายนี้ให้ชุ่มเชื่อนอิ่มเอิบด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องห้วงน้ําเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ําจะไหลเข้าได้ทั้งทางด้านตะวันออกด้านตะวันตก ด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่กระแสน้ําเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ํานั้นแล้วทําห่วงน้ํานั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ําเย็นไม่มีส่วนไหนของห่วงน้ํานั้นที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิ รู้สึกทราบสั้นอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ้มชื่น เอบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทลิกดอกปทุมดอกอุบลหรือดอกบุญทิกบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ํามีน้ํำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเ อ, อิบอาบซาบซึมด้วยน้ําเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง้าไม่มีส่วนไหนที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุข ไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องภิกษุชื่อว่าเจริญกายขตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจตุตถฌานอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ชันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนที่กายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้อง ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นจิตที่เป็นภายในกายเท่านั้นย่อมดํารงคงที่เป็นธรรมเอกปุตขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายกตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ร้อหสห ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่หลังลงในจิตของภิกษุนั้นมหาสมุทันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัส ด, ด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดายสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้น แม้ฉันใดกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาแหละย่อมเป็นภาวนาที่อย่างลงในจิตของภิกษุนั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้ว มารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของพิสุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเวี่ยงก้อนศิลาหนักไปที่กองหินเปียกเธอทั้งหลายเข้าใจว่าข้อ น, นั้นเป็นอย่างไรคือบุรุษนั้นใช้ไม้ที่แห้งสนิทโน้นมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะพิษุ ท, ทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกัน กายขาตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้าว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาม้าน้านั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้าเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้าได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจเจริญทำให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้น157ิภ15ิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจเจริญทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนบุรุษยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นพึงโยนกลุ่มได้เบาๆนั้นลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพิสุท์ทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกัน กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทําให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของพิสุนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียางต่อมาบุรุษนําไม้ทําเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะกอบไฟให้เกิดความร้อนขึ้นว่าเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นเอาไม้สดที่มียางโน้น มาทําเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไ้ยไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายขตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากแล้วมานย่อบไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้าที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ํานั้นมาทําเป็นเครื่องตักน้ําเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ําได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้จ่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้น ร้อภิกษุทั้งหลายกายค้ตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้ เปรียบเหมือนหม้อน้ำมีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่ตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกำลังพึงเขย่าหม้อน้ำนั้นโดยวิธีใดใดน้ำนั้นจะพึงไหลโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจเจริญทาให้มากแล้ว ภิกษุนั้นน้อมไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนสะโบกกรณีสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบที่เขาพูนคันไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปาก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 ซึ่งทำที่ควรทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมม้าอาชาในมีแท่เสียบไว้ในระหว่างมา้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สีแยกนายสารถีผู้ฝึกมา้า เป็นอาจารย์ขับขี่ผู้จำนานขึ้นรถนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแท่พึงขับรถไปยังที่ปรารถนาได้แม่ฉันใดกายขตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วเธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นนั้นได้159ภหิกษุทั้งหลายเมื่อกายขตาสติภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนืองสังสมแล้วประรบเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงสิปการ น, นี้คือหนึ่ง เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้ 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภไพรและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกไพรและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำไพรและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ส เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพลากชีวิตได้ เป็นผู้ได้ฌานสี่ซึ่งเป็นอภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากบรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ ได้ยินเสียงสองชนิดคือ 1. เสียงทิพ 2. เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิปอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กํากหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราจากโทสะ จิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคัตะหรือจิตไม่เป็นมหคัตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้น8ด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 ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 10. เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติจเจริญทําให้มากทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนือง สั่งสมแล้วประลบเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงสิประการนี้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกายขตาสติสูตรที่เก้าจบ